เกิดโลกของเราเนี่ยเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าที่เป็นอยู่<ะ>น้ําที่เป็นของเหลวก็น่าจะระเหยไปเร็วมากเลยและถ้าห่างออกไปมากกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่น้ําที่อยู่ในรูปของเหลวมันจะกลายเป็นน้ําแข็งฝังอยู่ใต้ผิวหรืออะไรแบบนั้นไปเราพอจะคาดการณ์ได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทําละลายในสิ่งชีวิตบนโลกการเห็นน้ําที่อื่นมันทําให้เราคาดหวังได้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ที่นั่นเนี่ยจะมีองค์ประกอบอื่นๆของชีวิต <im itation> เป็นไปได้หรือไม่ที่ชีวิตจะวิวัฒนาการที่นั่น You're listening to The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for your Ears <im itation> ไดๆในโลกหลวนฟิศิกพอดคสต์วิทยาศาสตร์เนิดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกจากสิ่งรอบตัว น้ำบนโลกนะคะอาจจะเป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของเราจนคุ้นเคยกันมานานแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการค้นพบน้ําบนดาวดวงอื่นเนี่ยจะถือว่ามันเป็นข่าวใหญ่ทันทีซึ่งถ้าจาได้ตอนที่เราคุยกันในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพี่ปองแปงเคยบอกเอาไว้ว่านอกจากคาร์บอนแล้วเนี่ยน้ําเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญในการเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของน้ํากับใดๆในโลกลูนฟิสิกส์นะคะอยู่กับฟางรัตเทโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวะรงจันทมาศครับ น้ำนี่มันแบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับการใช้ชีวิตบนโลกเลยใช่ไหมคะพี่สำคัญต่อชีวิตบนโลกมากหรืออีกในหนึ่งก็คือชีวิตเราวิวัฒนาการมาโดยมีน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญมาโดยตลอดผิวโลอกของเราเนี่ยเจ็ดสเป็นนน้ำไปละสามเปอร์เซ็นเป็นแผ่นดินดังนั้นจะมองว่าโลกเป็นดาวแห่งน้ําก็พอได้นะบลูเพลนเน็ตแล้วร่างกายของเราเนี่ยถ้าชั่งน้ําหนักออกมาเนี่ยเป็นน้ําไปเยอะเหมือนกันนะ น้ำเนี่ยเลยกลายเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทราบคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจของน้ำซึ่งมันส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตแล้วก็ระบบต่างๆที่อยู่บนโลกของเราเนาะวันนี้จะเล่าให้ฟังโอเคเราจะมากันที่คุณสมบัติก่อนไหคะพี่ในเรื่องของน้าเอาเรื่องของการแข็งตัวของน้ำก่อนอคือตอนมันเป็นของเหลวเนี่ยแล้วมันแข็งตัวเนี่ย น้ำเนี่ยเป็นสารไม่กี่ชนิดในเอกภพนะฮะคือเอกภพเนี่ยพูดถึงเคมีนะมันจะมีตารางธาตุใช่ไห ม, มแล้วธาตุเนี่ยมันจับสลับไปมาเป็นสารได้เยอะมากเลยมหาสาลเลยแต่น้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในสารไม่กี่ชนิดที่จากของเหลวกลายเป็นของแข็งนะแล้วมันขยายตัวทําให้ตัวมันมีความหนาแน่นต่ําลงนะเราเลยเห็นน้ําแข็งลอยอยู่ปกติแล้วส า, สารส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยตอนที่มันจากเป็นของเหลวพอกลายเป็นของแข็งเนี่ย ความหนาแน่นมันจะเพิ่มขึ้นนะมันจะหดตัวมันจะหดตัวนะแต่น้ำานี่มันดันขยายเวลาเอาน้ำขวดแช่ช่องแข็งะฮะแล้วเราจะเห็นว่าน้ามันขยายดันออกมามใช่ไหมหาเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์มากของน้ำหาได้ยากมากในสารสารทั่วไปและมันส่งผลมากต่อชีวิตบนโลกยังไงอะคะเอางี้ก่อนเลยถ้าน้ำแข็งเนี่ยมันจม หมีขาวก็อาจจะไม่มีที่ยืนพวกนกเพนกวินพวกอะไรทวีปต่างๆที่มีแผ่นน้าแข็งปกคลุมอยู่นะฮะน้ําแข็งที่มันลอยอยู่บนทะเลสาบเลยทุกเนี้ยน ะ, ะและการที่น้ําเนี่ยพอมันแข็งตัวแล้วมันขยายเพราะมันขยายความนั้นก็ต่ํามันก็ลอยนะเวลาน้ํามันแข็งเนี่ยมันจะแข็งจากด้านบนลงมาอมแปลว่าอะไรแปลว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยครับมันไม่ได้เสถียรเป็นค่าเดียวตลอดแต่มันจะมีการแกว่งขึ้นลงนะฮะ การแกว่งขึ้นลงเนบางครั้งโลกของเราเนี่ยเย็นมากทําให้สิ่งมีชีวิตในยุคอดีตกาลเนี่ยที่มันยังอยู่ในน้ําอยู่เนี่ยนะฮะถ้าน้ําแข็งจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยสิ่งมีชีวิตอาจจะสูญพันไปมากกว่า น, นี้มากมากแต่พอมันแข็งจากด้านบนเนี่ยน้ําแข็งมันเหมือนกับเป็นตัวซีลไม่ให้มันข้างล่างมันสูญเสียความร้อนมากขึ้นไอตัวที่อยู่ข้างล่างมก็จะเป็นปลาไปเลยยังพอไหวได้ถ้าดาวโลกของเราไม่ได้มีของเหลวเป็นน้ําเนี่ยวิวัฒนาการของชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเยอะมาก เปลี่ยนไปเยอะมากมแล้วจริงๆแล้วน้ําบนโลกของเรามาจากไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์กาลังถกเถียงนะบางคนว่ามันอาจจะมาจากพวกดาวเคราะห์น้อยหรืออะไรพวกนี้นะแล้วก็มีบางส่วนอยู่บนโลกแลนี่วิ่วว่ากันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกําเนิดของน้ําบนโลกตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาถกเถียงกันอยู่เนาะแต่สิ่งที่เรารู้กันดีและเรียนกันในวิชาเคมีครับน้ํามีสูตรทางเคมีว่าอะไรครับ H2O ปิ๊งปองมีเสียงดัง อันนี้จำได้เนาะจำได้จาได้แล้ว H2O คือ H 2ก็คือไฮโดรเจน2อะตอมเกาะกับ gen, ออกซิเจน1อะตอมอยู่ตรงกลางแล้วมีมีขาออกมาอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้น้องฟางนึกภาพยังไงว่ามันมันเป็นเส้นตรงไหมหรือมันยังไงไ ม, มันเกาะกันแบบไหนไ ม, ไม่รู้ค่ะเกาะกันแบบไหนคะ่ะ O อยู่ตรงกลางแล้ว H 2ตัวเนี่ยแทนที่มันจะตรงออกมามันจะงงลงมาแบบนี้ มันจะงอมันจะงอมาเป็น H แล้วก็ O แล้วก็ H อย่างเงี้ยอ่มันจะงอค่ะทำไมถึงงอค่ะไอ้การทำไมถึงงอผมจะเล่าให้ฟังและถ้ามันไม่งอเนี่ยมันส่งผลกับคุณสมบัติน้ำมากด้วยค่ะอันนี้ขอไปในทางทฤษฎีเคมีนิดนึงนะครับก็คือออกซิเจนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันแชร์อิเล็กตรอนกับตัวไฮโดรเจนเหมือนเป็นแขนเป็นพันธะเคมีแต่มันแชร์ไม่สมบูรณ์มันจะเหลือ ตัวที่มันได้มันไม่ได้แชร์อยู่สี่ตัวสี่ตัวเนี้ยเรียกว่ามีสองคู่ไอ้สองคู่นี้แหละมันคอยผลักให้ให้มุมเนี่ยมันงอลงมาอไอ้ตัวที่มันเป็นเป็นเป็นคู่ที่ไม่เกาะกับใครเนี่ยมันผลักให้งอลงมาทีนี้พองอลงมาเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเป็นธาตุที่มีความสามารถในการดูดอิเล็กตรอนเก่งมันดึงอิเล็กตรอนเก่งมากเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนแทนที่มันจะแชร์กับไฮโดรเจนแบบเสมอภาคแฟร์มันก็ดึงเข้าหาตัวเองเก่งออื พอดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองเก่งนะครับตัวมันก็มีความเป็นลบประกอบกับไอตัวที่มันเป็นโดดเดี่ยวอยู่นั่นทำให้แถวแถวออกซิเจนเนี่ยมันเป็นขั้วลบอ่อนๆไม่ได้ลบแบบลบจัดๆเป็นลบอนอ่อนๆบางๆส่วนไฮโดเจนเนี่ยโดนดึงลบออกไปตัวมันก็เป็นบวกอ่อนๆเท่ากับว่าโมเลกุล H2O เนี่ยมีความเป็นขั้วไฟฟ้าอ่อนๆไอขั้วตรงนี้มันเลยไปจับเป็นเป็นพันธะอ่อนๆกับโมเลกุลอื่นๆไอพันธะอ่อนๆตัวนี้เขาเรียกพันธะไฮโดเจนซึ่งเป็นพันธะระหว่างโมเลกุล ไม่ใช่พันธะเคมีระหว่างอะตอมทีนี้ถามว่ามันสาคัญยังไงคําตอบก็คือการมีพันธะไฮโดรเจนทําให้จุดเดือดจุดลอมเหลวของน้ํามันสูงมันสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้ามันไม่มีพันธะไฮโดรเจนน้ําก็จะเดือดที่จุดเดือดต่ํากว่านี้ล้อมเหลวที่จุดล้อมเหลวต่ํากว่านี้นะครับแต่เนื่องจากมันมีพันธะไฮโดรเจนมันแข็งแกร่งมากขึ้นนะ ซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์มากมเลยเวลาคุณครูสอนวิชาเคมีก็จะยกตัวอย่างประทัไฮโดรเจนจากโมเลกุลของน้ํานี่แหละอืมก็คือส่งผลต่อจุดเดือดจุดร้อนเหลวของมันโอเ ค, ะคะโอเคค่ะพี่แล้วมันมีอีกคําถามหนึ่งที่ที่ฟังอยากรู้มากว่าเราพูดถึงน้ําเนี่ยเราก็จะนึกถึงโลกเนาะดาวเคราะสีน้ําเงินอะไรก็ว่าไปแต่ที่ดาวดวงอื่นเนี่ยมันมีน้ํำไหมอันนี้อาจจะเก็บไว้ตอบคำถามแต่แค่อยากรู้ว่าแล้วอะไรทําให้โลกเนี่ยเป็นดาวที่เหมาะแก่ การมีน้ำอยู่อ่ะมันมีองค์ประกอบอะไรไหมคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีน้ำจริงๆแล้วเอาอย่างนี้ก่อนโลกเราเนี่ยพิเศษเพราะว่าน้ำเป็นของเหลวบนผิวดาวนะอือไม่ได้อยู่ลึกลงไปลึกลงไปก็มีของเหลวแต่ว่าดาวดวงอื่นถ้าเราจะหาเนี่ยนะฮะที่มันมีของเหลวแบบนี้มันยากมากเลยที่จะแบบโอ้โหเป็นมาหาสมุทรแบบโลกเรา อ, ะอ่ะ ม, มันหายากมากเลยนะเออ เพราะว่าถ้าเกิดโลกของเราเนี่ยเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าที่เป็นอยู่น้ําที่เป็นของเหลวก็น่าจะระเหยไปเร็วมากเลยและถ้าห่างออกไปมากกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่น้ําที่อยู่ในรูปของเหลวมันจะกลายเป็นน้ําแข็งฝังอยู่ใต้ผิวหรืออะไรแบบนั้นไปตำแหน่งที่โลกอยู่เนี่ยถือว่ามีความเหมาะเจาะลงตัวเขาเรียกว่าเป็น habitable zone หรือโซนเขตอาศัยได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ นักชีวดาราศาสตร์หรือคนที่พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกเนี่ยพยายามคำนวณหาว่าให้เบตเทเบิลโซของดาวฤกษ์อื่นๆมันจะอยู่ห่างแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาวิจัยกันอยู่อย่างโลกของเราเนี่ยมันถือว่าเหมาะเจาะลงตัวซึ่งเป็นเรื่องน่าทึ่งนะถ้ามันเข้าใกล้มากกว่า น, นี้ห่างมากกว่า น, นี้โหมันม น, น้ำมันไม่เหลวเพราะน้ำมันไม่เหลวชีวิตก็เอามาใช้อุปโภคบริโภคลําบากเพราะว่าในร่างกายสิ่งมีชีวิตเนี่ยน้ำเป็นตัวทําละลายเป็นตัวลําเลียงสารต่างๆเยอะมากนะครับ ไม่มีน้ำเนี่ยลำบากเลยค่ะค่ะแล้วทำไมเวลาที่มีข่าวว่าเนี่ยออค้นพบน้ําที่ดาวดวงนั้นดวงนี้อะไรเงี้ยมันถึงเป็นเรื่องที่ใหญ่แปลว่าการเจอน้ําบนดาวดวงอื่นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์เลยไหมคะการเจอน้ําบนดาวดวงอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าทึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกมันการเห็นน้ําเนี่ยเราเราพอจะคาดการได้ว่าน้ําเนี่ยเป็นตัวทําละลายในสิ่งชีวิตบนโลก นะอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตบโนโลกการเห็นน้าที่อื่นมันทำให้เราคาดหวังได้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ที่นั่นเนี่ยจะมีองค์ประกอบอื่นๆของชีวิตเป็นไปได้หรือไม่ที่ชีวิตจะวิวัฒนาการที่นั่นดังนั้นนักดาราศาสตร์นักชีวดาราศาสตร์ก็เลยพยายามมองหานา้าตามที่ต่างๆทั่วเอกภพเท่าที่จะทาได้นะครับโดยถ้าในระบบสุริยะเนี่ยก็จะมีที่ที่หาน้าเด่นๆอยู่หลายที่เหมือนกัน ได้แก่ดาวอังคารค่ะดวงจันดาวพฤหัสแล้วก็ดวงจันรดาวเสาร์เดี๋ยวผมไล่ทีละดวงแล้วกันดาวอังคารเนี่ยต้องฟังว่ามีน้ำไหมตอนนี้เหมือนเหมือนเขามีข่าวว่าเจอใช่ไหมคะปี2015เขาเจอแล้วเป็นข่าวใหญ่ด้วยอแต่มันไม่ได้เป็นน้ําแบบ อ, อ, อยู่ในห้วยหนองคลองบึงไปถึงแล้วแบบเบี้ยงเบ็ดตกปลาอะไรเงี้ย ม, มันไม่ได้อยู่ที่พื้นผิวหรอมันอยู่บนพื้นผิวแต่มันไหลซึม<อ>ไหลซึมแบบ มันซึมจนเห็นเห็นล่องรอยการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์การไหลซึมไดมนะ้ซึ่งมันมันน่าตื่นเต้นเพราะว่าการเห็นน้ําปรากฏบนผิวดาวแบบนี้มันเราไม่ได้เห็นบ่อยนะครับเราเห็นบนโลกอ่ะมันเป็นปกติแต่ดาวอังคารเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาเจอคือปี2องพที่มันไหลแบบนั้นมแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาเจอกันว่าบนดาวอังคารเนี่ยประมาณสักสี่พล้านปีก่อนอมีน้ําอยู่เยอะเป็นมาหาสมุทรแบบบนโลกเลยค่ะถามว่าเขารู้ได้ยังไงคำตอบก็คือ หคือเขาเห็นร่องรอยการไหลของน้ําเป็นคล้ายๆแม่น้ําที่มันเหนือดแห้งไปแล้วก็ในบริเวณแถวๆนั้นบางทีเขาเจอคล้ายๆหินกรวดมนอยู่อ๋อซึ่งจะอยู่ในพื้นน้ําใช่ไหมคะถูกต้องแต่น้องฝางสงสัยไหมว่าแล้วหินกรวดมนเนี่ยทําไมมันสําคัญทําไมมัน ม, มันทำให้คาดการว่าแถวนั้นจะมีน้ำํำถ้าเจอหินกรวดมนหนึ่อทําไมคะคือการเห็นหินกรวดเนี่ยแล้วมันมนเนี่ยถ้าว่ามันต้องมีน้ําคอยพัดให้มัน S <S กระทรอ้อเอาขอบคมๆออกไปแล้วมันก็เป็นกรวดมนๆมแต่เป็นลมได้ไหมละ่ะเป็นลมได้ไหมถ้าดูโดยขนาดฮะเป็นลมเนี่ยอาจจะพอได้กับขนาดระดับหนึ่งแต่ขนาดบางขนาดมันต้องเป็นน้ำผัดมันมีการคำนวณสร้างแบบจำลองพวกนี้มาทาให้เรารู้เรารู้คร่าวๆหลืว่าแต่ก่อนต้องมีแล้วยิ่งเห็นน้ำไหลอ ย, อยู่เนี่ยแบบนี้ยิ่งชัดเจนว่าโอ้โหแบบไหลซึมนะ <S <S <S <S ไม่ใช่ไหลแบบโจ <ốc> ๊กออกมา ก็ยิ่งชัดเจนว่าดาวอังคารจากก่อนน่าจะมีน้ําเป็นมาหาสมุทรแบบโลกเลยะนะครับแล้วตอนนี้ถ้าใครเคยดูดาวอังคารผ่านกล้องโทรทัศน์นะมันจะเป็นดาวสีดแดงแดงแล้วข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันจะมีบรเิเวณขั้วเหนือขัข้วใต้มันจะมีเขาขาวอยู่ตรงนี้ก็เป็นน้ําแข็งมีมีองค์ประกอบเป็นน้ําแข็งอยู่เยอะเหมือนกัน อ, อแล้วทุกวันเนี้การสํารวจน้ำบนดาวอังคารมีการค้นพบด้วยคลื่นต่างๆนะฮะเพราะว่าใต้ผิวของมันก็มีน้ําอยู่เยอะนะเป็นน้ําแข็งอเยอะเลยค่ะ ความรู้พวกนี้สําคัญมากต่อภลังิาสํารวจอวกาศในอนาคตค่ะเพราะถ้าดาวอังคารไม่มีน้ําเลยแล้วมนุษย์จะไปตั้งโลกล่ากเนี่ยเราต้องขนน้าไปเป็น ข, ดขวดๆซึ่งน้ํานี่มันหนักนะครับท่านโอ้ไม่ไหวนะฮะเพราะประมาณต่างๆนี่เราไม่ไหวนะแตมม่มีน้ําอยู่แล้วแล้วอาจจะเอาไปแค่เครื่องกลัน่นเครื่องอะไรเครื่องละลายน้ําออกมาก็พอใช้ชีวิตได้นะมันจึงเป็นเหมือนหนึ่งในแบบองค์ประกอบสําคัญอะที่จะต้องแบบ ให้ความสาคัญกับมันถ้าเกิดว่าอยากจะในอนาคตไปใช้ชีวิตอยู่หรืออะไรแบบนี้ใช่ไปตั้งโลกราอืบแต่มันหายไปไหนเออมันไม่สามารถคงสภาพน้ําอยู่ได้บนพื้นผิวเหมือนโลกของเราแล้วมันก็หายไปเยอะด้วยอต้องฟังว่ามันหายไปไหนครับมันร้อนได้อย่างไรร้อนไหมมันละเหยอาธิตฐ์พุทธสุกโลกอังคารอังคารอยู่ห่างกว่านะอืมันหายไปไหนแลวอังคารเย็นกว่าโลกนะเนี่ตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากผมว่าแบบ มอยากไอยู่ดวงคานะจริงๆมัน <adject> น <ives> ่าจะเย็นกว่าเยอะอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องอุณหภูมิแล้วมันคือเรื่องอะไรคะดางคาร์มันเล็กกว่าโลกพอมันเล็กกว่าโลกพื้นผิวเนี่ยมันก็เยอะเมื่อเทียบกับปริมาตรมันก็สูญเสียความร้อนในดาวง่ายเพราะมันสูญเสียความร้อนที่อยู่ใจกลางของมันง่ายใจกลางของมันก็เย็นเร็วกว่าโลกพอใจกลางของมันเย็นเร็วกว่าโลกเกิดอะไรขึ้นใจกลางโลกของเราเนี่ยมันยังร้อนอยู่ความร้อนที่ใจกลางของโลกเนี่ยทาให้เกิดสนามแม่เหล็กแผ่ออกมา สนามแม่เหล็กเนี่ยจะคอยกักกันปกป้องโลกจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมทั้งลมสุริยะซึ่งเป็นอนุภาคพ<ม>ลังงานสูงที่มันพุ่งมาจากดวงอาทิตย์<ม>พอลมสุริยะพุ่งมาใส่โลกสนามแม่เหล็กก็เบี่ยงมันออกไปบ้าง<ม>อะไรบ้างบางทีก็อจาจจะลงเหลือพุ่งเข้าที่คั้วบ้างก็กลายเป็นแสงเหนื อ, <ม> อ, อแสงออโรร่าอะไรพวกนี้นะครับ<ม>แต่ว่ที่ดาวอังคารเนี่ยสนามแม่เหล็กมันหายไปเพราะใจกลางมั น, มนเย็น<ม><ม>พอสนามแม่เหล็กหายไป ดาวอังคารก็เหมือนกับตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีใครคอยปกป้อง ล, อละลมสุริยะพุ่งมาก็ซัดบรรยากาศออกเต็มๆเลยบรรยากาศก็หายไปอพอบรรยากาศหายไปน้ําก็เลยเหยอ่อออกอและเนี่ยไม่ใช่จินตนาการนะครับแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากเพราะว่ามันเกิดจากการเก็บข้อมูลอย่างยาวนานของยานอวกาศมากมายที่โคจร อ, อยู่รอบๆดาวอังคารแล้วก็ค้นพบอะไรพวกนี้ แล้วทีนี้มีคําถามว่าถ้าดาวองคารเจอปัญหานี้เรื่องของใจกลางที่เย็นตัวหรือว่าได้รับอิทธิพลจากลมสุริยะอะไรกัแล้วแต่เนี่ยในเคสอื่นๆอย่างเ ช, เช่นเมื่อกี้พูดถึงดวงจันทร์ของดาวพฤหัสใช่ไหมค ะ, ะ, ะเหมือนกันไหมคะเจอปัญหาเดียวกันไหมโอ้คืออย่างนี้ก่อนอันนี้ดวงคารจบไปก่อนนะัก้อนนึงอ่าตอนนี้เราเจอน้ําในระบบสุริยะที่ดวงคารล ะ, ะน้ํำเหลวๆไหลซึมอยู่ทีนี้ที่ดาวพฤหัสคืออาทิตย์พุธสุกร์องคารพฤหัสถัดไปอีกถัดไปอีก ตัวดาวพฤหัสในมันใหญ่มากนะฮะแต่ดาวที่มันโครจรรอบดาวพฤหัสเนี่ยก็คือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเป็นบริวารของดาวพฤหัสมันมีอยู่หลายดวงนะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นยูโรป้ากับแกนิมีมยูโรป้าเนี่ยเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่เขาสำรวจมาอย่างละเอียดแล้วค้นพบว่าผิวของมันเนี่ยเป็นน้ําแข็งแล้วใต้ผิวเนี่ยน่าจะมีน้ําอยู่เยอะมากอเยอะแบบ น่าจะเป็นของเหลวนะอยู่เยอะแบบเยอะกว่ามาหาสมุทรของโลกสองสาเท่าโอ้ใช่อ hmm. แล้วสงสัยไหมทําไมมันมันเย็นขนาดมันห่างจากดวงอาทิตย์ขนาดนั้นทําไมมันไม่เย็นเป็นของแข็งไปทั้งหมดแปลกไหมแล้วมันเล็กกว่าดวางคาร์อีกค่ะ <Huh. S 2> เ อ, อเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยการที่ดาวพฤหัส ด, ดวงมันใหญ่มากแล้วก็ดวงจันทร์ที่โคจร อ, อยู่รอบๆเนี่ยนะครับมันได้รับแรงดึงดูดจากดาวพฤหัสทําให้ด้านที่ใกล้ดาวพฤหัสกับไกลมันถูกดึงออกไป มันคล้ายๆกับน้ําในมหาสมุทรของโลกที่โดนดวงจันทร์ดึงออกมาให้มันโป่งอ่ะแต่อันเนี้ยดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมันมันโดนดาวพฤหัสดึงให้โป่งออกพอมันโป่งออกมันก็คล้ายๆกับลูกเทนนิสที่ถูกทุบๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆเหมือนแบนออกอย่างนี้เหรอคะมันแบนออกทุกทางไปเรื่อยๆแบบทุบๆๆหลายๆทีเขาเรียกว่าเอ่อไททอลฟอสนะฮะพอทุบๆๆเขามันก็เกิดเป็นความร้อนทําให้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นของเหลวอยู่แล้วรู้ได้ไงว่าข้างในมันเหลวคําตอบคือศึกษาไปศึกษามา เขาค้นเพราะว่าดวงจังนยูโรป้านี่มีน้ำพุพุ่งออกมาจากผิวสูงกันหลักร้อยกิโลเมตรอะฮะเพราะมันเหมือนอุณหภูมิร้อนสูงแล้วก็มีแรงดันอ ะ, อะไรบา ง, งอย่างพวยพุ่งออกมาจากรอยปริกรุฟขึ้นมาแล้วประมาณปี2024นะนะตอนนี้เนี่ยเขาแพลนกันว่า2024นะฮะจะมียานอว ก, กาศชื่อยุโรป่าคลิปเปอร์บินออกไป แล้วก็โฉบน้ําที่พุ่งออกมาเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่ามีสารอินทรีย์หรือเปล่าเพื่อศึกษาสิ่งนี้โดยเฉพาะใช่ครโดยเฉพาะเลยแล้วก็ศึกษาระบบเกี่ยวกับดวงจันทร์ต่างๆของดาวพฤหัสด้วยแต่ว่าเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันมีสารอินทรีย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือชีวิตน่าจะต้องศึกษากันอีกยาวว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยหาสารอินทรีย์มาวิเคราะห์อย่างละเอียดกันดูว่ามันมีอะไรอยู่ปีสองพัี่สิบก็รอดูนะครับรอก่อนเลยว่าเขาจะเลื่อนโปรเจกต์อีหรือเปล่าเพราะตอนแรก เขาก็ว่าจะส่งปี2022ก็เลื่อนออกมาเลื่อนออกมาบางทีโปรจะเกลียกว่าวกาศเขาเลื่อนกันเป็นปกติเพราะว่าบางทีเขาต้องรล่อพร้อมมากๆจริงไม่งั้นแบบส่งไปแล้วแบบยานพังอะไรมันกลับมาแก้ไม่ได้เงินมันเยอะนะครับแปลว่าน้ําบนดวงจันทร์ดวงเนี้ของดาวพฤหัสอ่ะคุ้มค่ากับทุกเม็ดเงินที่จ่ายลงไปเพื่อที่จะศึกษามันเราอยากรู้ว่ามันมีสารอินทรีย์มีอะไรหรือเปล่านะฮะทีนี้จัดดาวพฤหัสก็ไปดาวเสาเขานี่ห่างออกไปอีก มีดวงจันทร์อยู่ดวงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์มากคือเอ็นเซเลดัสเคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้ยินชื่อเป็นไงอลังการชื่อดูนะแบบสวยงามเออน้าตั้งชื่อลูกนะเอ็นเซเลดัสเอ็นเซเลดัสเนี่ยเป็นดวงจันทร์ที่มีเอกลักษณ์มากคือผิวของมันค่อนข้างจะเรียบแล้วก็มีลวดลายคล้ายๆ ก, กับเหมือนลายพาดกรอนของเสือไทเกอร์ น, นะฮะเป็นแบบลายพาดกรอนของเสื อ, อแล้วก็เขาก็เจอน้ําพุมันพุ่งออกมาจากผิวอีกละเหมือนกันกับเมื่อกี้ใช่แต่ มันน่าน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ที่พุออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยเขาเจอสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ oh. อ่าเป็นใหญ่กว่ามีเทนเป็นสิเท่าเลย <Ha. S 1> การที่เห็นสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่เนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้เจอสารอินทรีย์ที่มีความซับซ้อนและมันอาจจะเป็นต้นกําเนิดของชีวิตได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปและอย่องที่2คือเขาเจอแก๊สไฮโดรเจนค่ะแปลกไหมอ๋อ oh. มันน่าสนใจตรงที่ว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมัน อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งที่เรียกว่าปฏิริรยามีเทนโอเจนิสหรือปฏิริรยาการสังเคราะห์มีเทนซึ่งมันเป็นปฏิยาที่สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกบนโลกเนี่ยบางทีมันมั น, ม, นมันเอาพวกไฮโดรเจนเอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์ o ide, พวกนี้มาสังเคราะห์มีเทนขึ้นมาแล้วสร้างเป็นพลังงานนะ<อ>คือไ้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามปล่องภูเขาไฟลึกๆ<ฆ>บนโลกเนี่ยฮะมันไม่ได้รับแสงนี่ ม, มันก็ต้องเอาพวกสารเคมีบางอย่างมาสังเคราะห์พลังงานมาใช้<ม>นี่แหละก็คือแหล่งพลังงานของมันซึ่ง เนี่ยเขาก็เห็นไฮโดรเจนมันน่าสนใจว่ามันอาจจะเอาไปเกิดแบบของมันในบนดาวเอ็นเซลาดสหรือเปล่าเหมือนมีชนวนอะไรปิ้งออกมาอันแรกว่าเฮ้ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตหรือเป็นองค์ประกอบที่อาจจะทําให้ชีวิตใช้ในการสกัดพลังงานได้มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ตรงนี้ก็จะต้องศึกษากันต่อไปอแต่แต่ดาวเสาร์ยังมีดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งที่ผมว่าไม่เล่าไม่ได้เพราะเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาแล้วชื่อไททัน แต่ไททันเนี่ยดวงนี้ดวงที่ใหญ่มากแล้วเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ซะจนตัวมันเนี่ยมีบรรยากาศคลุมปกคลุมจนแบบแทบจะมองไม่เห็นผิวเลยคือมองไม่เห็นผิวเลยดีกว่าแล้วมียานไปลงจอดนฮะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับน้ําแต่ที่เจ๋งคือเขาไปเจอเมฆไปเจอแม่น้ําทะเลสาบเจอเหมือนทะเลอยู่บนไททันอเป็นร่องรอยใช่ไหมคะเป็นไม่ร่องรอยเ ป, เป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบไปเลยเลย<อ>แต่ไม่ใช่น้ํานะครับ เป็นมีเทนกับอีเทนคือเป็นแก๊สธรรมชาติอ๋อ oh. อันนี้ก็เปิดความเป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าชีวิตจะวิวัฒนาการขึ้นบนไทยท่านร่างกายของมันอาจจะไม่ได้ไหลเวียนด้วยน้ําอย่างมนุษย์ก็ได้อืมอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติก็ได้นี่อือืเป็นไปได้ไหมอืมอืมไอ้พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเวลาจุดไฟอะนะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนั้นขวายจุดไม่ขีดทีปุ๊มตายกันทั้งออดาวเลยเออเออแต่ก็เหมือนเหมือนมันมีความเป็นไปได้นะที่มันอาจจะ ไม่ได้เหมือนร่างกายมนุษย์ที่บนโลกก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีนี้มีคําถามที่บ่งแปงว่าถ้าระยะห่างจากดาวพวกนี้กับดวงอาทิตย์เนาะมันก็มันก็พอๆกับพี่ดวงจันทร์ที่เป็นบริวารมันแล้วทําไมเราถึงไม่เจอน้ําในดาวเหล่านั้นแต่ไปเจอที่ดวงจันทร์ค่ะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยต่อให้มันมีน้ำนะผิวของมันเนี่ยเป็นของเหลวเป็นดาวยักษ์ใหญ่ะนะฮะอย่างนี้ก่อนพอมันใหญ่มากเนี่ยถ้าชีวิตจะไปอยู่มันเจอแรงโน้มถ่วงเยอะมากมัน ม, มันน่าจะ เราคิดแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็ได้แตเรามีกลุ่มตัวอย่างอยู่บนโลกแล้ว เ, เพราะว่าเราน่าจะหาอะไรที่ผิวมันเป็นของแข็งอะ่ะนี่ออกมาแล้วก็น้ําบนดาวเหล่านั้นเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีเป็นองค์ประกอบหลักมากมายนะักนะครับมันก็เลยมไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นน ะ, ะแต่จะเห็นเป็นคําถามที่ดีนะคือหมายความว่าในการมองหาสิ่งมีชีวิตบางทีเราอาจจะไม่ได้หาที่ดาวเคราะห์เป็นอย่างเดียวละเราอาจจะไปหาจากดวงจันทร์ของที่เป็นดาวบริวารของดาวเคราะห ซึ่งถ้าดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หลายเรื่องเนี่ยชีวิตมันไปอยู่ในดวงจันทร์นะดวงจันทร์ของดาวเครอะนะไม่ได้บีบนดาวเคระอะห์ถ้าฟังมาถึงตอนนี้แปลว่าเรารู้แล้วว่านอกจากบนโลกนในระบบสุริยะก็ยังมีดาวดวงอื่นที่อาจจะมีพบเจอนะ้าหรือว่าร่องรอยของน้ำแล้วนอกไปจากระบบสุริยะล่ะคะเราเรามีการศึกษาเรื่องนี้ไหมคะอะไรที่อยู่นอกระบบสุริยะเนี่ยศึกษายาก อเอาเป็นว่าเอาแค่หาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะก็ยากแล้วนะแต่เราก็ไปเจอน้ําร่องรอยของน้ําที่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้เราเจอแล้วเหรอคะเจอแล้วฮะนักด า, า, าราศาสตร์เก่งมากนะคือปกติเนี่ยทำการทดลองกว่านจะหาว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรยังไงเนี่ย ม, มันเหมือนต้องเอาแหลปไปอ่ะแต่เนี่ยเขาอยู่ทุกคนอยู่บนโลกแล้ว ร, รู้ได้ยังไงแบบไม่ได้ขึ้นแบบยานอวกาศอะไร ไ, <ป>ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครหลุดไปนอกระบบสุริยะไปเจอแหลปไปหาดาวเคราะห์แล้วไปเอาน้ํามาตัดตัวไม่ใช่ อยู่บนโลกแล้วหาน้ําเจ อ, อนอกระบบสุริยะอืเขาใช้วิธีการอะไรเขาใช้วิธีที่เรียกว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยนะครับตอนมันตัดผ่านหน้าดาวฤกษ์เนี่ยดาวฤกษ์เนี่ยแสงมันจะดอบลงนิดนึงอืแล้วพอมันผ่านไปแสงก็จะกลับสว่างเหมือนเดิมอืมอันนี้เอาไว้ค้นหาดาวเคราะห์นอกอะระบบสุริยะวิธีนี้เรียกว่าตรานสิดคือการผ่านหน้าอื ไม่ใช่ทุกดวงที่จะเจอด้วยวิธีนี้มีวิธีอื่นๆอีกอแต่ทรานซิทมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ดาวเคาะน์นอกระบบสุริผ่านหน้าดาวฤกษ์นะแสงจากดาวฤกษ์ที่มันเฉียดขอบดาวเคราะห์นั้นน่ะมันจะผ่านชั้นบรรยากาศดาวเคาะมันนิดนึงอและถ้ามันมีน้ําอยู่เนี่ยไอน้ําที่อยู่บนชั้นบรรยากาศมันอาจจะเกิดการดูดกลืนแสงจากดาวฤกษ์นั้นไปนิดนึง แล้วเขาก็เอาแสงที่มันโดนน้าดูดไปนิดนึงเนี่มาวิเคราะห์ได้ว่ามีน้ําอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงโอ้เโหโหโหล็กล้ำมากฟังดูคือหลักการมันเข้าใจง่าย<ะ>แต่ในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะมันต้องอาศัยการสังเกตยอย่างยาวนานนะครับเอาเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นเออร์หรือเป็นจริงหรืออะไรยังไงก็เออแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็มีการทําวิจัยอยู่ทั่วโลกนะครับคนไทยเองก็มีนักดาราศาสตร์ที่ศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ในลักษณะนี้นะฮ ะ, ะแล้วก็ในมุมอื่นๆอยู่เหมือนกันน่าทึ่งเนอะน่าทึ่งมากเลยค่ะสรุปก็คือตอนนี้น้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีความค่อนข้างจะคอมมอนคือหมายความว่าเจอได้ทั่วไปในเอกภพนั่นแหละแต่สภาวะที่จะทำให้น้ำเอื้อต่อชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายมากว่าเราจะหาเจอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนอกระบบสุริยะเราก็เจอดังนั้นน้ำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ พิลึกพิลั่นหมาสจาัจจรขนาดนั้นแม้ว่าคุณสมบัติของมันจะน่าทึ่งมากก็ตามฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าเราเจอน้ำทั้งบนโลกเนาะในระบบสุริยะแล้วก็นอกระบบสุริยะแล้วน้ำในสามที่นี้มันมันมีความต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงคะคือพูดถึงสารต่างๆเนี่ยถ้าสูตรโมเลกุลมันเหมือนกันมันก็เป็นน้าเดียวกันหมดทั้งเอกภพนั่นแหละนะ หลักๆแล้วมันก็คือ H 2 O เหมือนกัน<ฮ>ะนะครับแต่รายละเอียดปลีกย่อยองค์ประกอบปลีกย่อยจริงๆอาจจะต่างได้นิดหน่อยนะคืออันนี้ลึกเลยแต่ว่า H 2 O ใช่ไหม H เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไฮโดรเจนแบบทั่วไปมันอาจจะเป็นไฮโดรเจนที่หนักกว่าชาวบ้านนิดหน่อยคือหมายความว่าไฮโดรเจนเนี่ยตรงกลางจะเป็นโปรโตอนหนึ่งอนุภาคแล้วมีอิเล็กตรอนแต่ไฮโดรเจนมันมีไอโซโทปของมันเรียกบิวเทเรียมคือมีนิวตรอนเกาะอยู่ได้อีกตัวหนึ่ง ถ้าน้ำประกอบจากดิว t ทอ i u เรียมันจะกลายเป็น D2O อหรืออาจจะเรียกว่า Heavy Water ก็คือน้ำน้ำหนัก Heavy Water ไม่ใช่น้ำหนักบไปช่างนะแต่เป็นน้ำที่มันหนักขึ้นซึ่งไอ้พวกนี้ก็ไอ้การศึกษาเรื่องว่ามีน้ำที่เจอเนี่ยมีสัดส่วนของ h ฮ a v y Water กับน้ำปกติมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันช่วยให้นักดราศาสตร์เขาศึกษากำเนิดของน้ำบนโลกได้เหมือนกันนะนี่กลับมาเรื่องแรกละ เพาเวลาไปวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ําในดาวหางว่ามีน้ําหนักกับน้ําธรรมดาอยู่แค่ไหนเนี่ยมันทําให้รู้ได้ว่าอ๋อดาวหางเนี่ยอาจจะ contribut หรือทําให้เกิดน้ําบนโลกได้แต่คงเป็นสัดส่วนไม่มากนักเพราะอัตราส่วนของน้ําหนักกับน้ําธรรมดามันมันมันไม่ตรงกับน้ําบนโลกอะไรพวกนี้แต่หลักใหญ่ใจความแล้วน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเป็นน้ําที่เป็น H2O ทั่วไปก็จะเหมือนกันทั้งเอกภพนั่นแหละค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงน้ำเนี่ยฟังจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น องค์ประกอบที่สําคัญมากๆเหมือนตอนแรกที่เราคุยกันว่าจะทําให้เรามีชีวิตอยู่บนโลก<ช>แต่ถ้ามองถึงอนาคตว่าอนาคตของชีวิตมนุษย์ที่มันอาจจะบนโลกหรือไม่บนโลกก็แล้วแต่เนี่ยน้ํามันถือเป็นเป็นตัวเปลี่ยนเกมไหมคะที่จะกําหนดอนาคตของคนเราผมว่าเป็นทรัพยากรหลักเลยนะอเอาจริงๆคือขาดแคลนอะไรเนี่ยมนุษย์ก็ยังพอจะแสวงหาใช้เทคโนโลยีลต่างๆได้แต่ว่าถ้าไม่มีน้ำเนี่ยยากลําบากมากนึกภาพนะครับว่าถ้าเราจะไป อาศัยอยู่บนดาวองคารในอนาคตถ้าดาวองคารไม่มีน้ำเลยสมมุตินะจริงๆมันมีอยู่เนาะทั้งใต้ผิวทั้งที่ขั้วทั้งเลยถ้าไม่มีน้ำเลยเนี่ยเราต้องขนน้ำไปเยอะอย่างที่บอกอแล้วก็โอ้โหลำบากอะฮะแต่ถ้ามีน้ำเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการวางแผนการ colonize หรือการอาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นได้เยอะมากอมเอาอย่างตอนนี้โปรเจกต์ชื่อ a r t e เนี่ยเขาส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์เนา ะ, ะเขาก็อยากจะ ทำสิ่งที่เรียกว่าลูน่าเกตเวย์นะฮะปลายทางของมันคือลูน่าเกตเวย์คือเขาอยากจะทําให้ดวงจันทร์เนี่ยเป็นหับหนึงของอวกาศคือทุกวันนี้ทุกอย่างที่เป็นยานอวกาศมันต้องออกจากโลกอะ่ะออมันดูลําบากมันเหมือนอมไม่มีไม่มีกระท่อมน้อยอยู่ตรงกลางที่จะทําให้แบบเป็นเป็นที่พักกลางทางเขาจะทําลูน่าเกตเวย์เนี่ยในอนาคตจะทําเป็น เ, ออเหมือนหับกลางทางนะซึ่งในอนาคตถ้าเราจะไปโค c o l o n i หรือไปอยู่บนดวงจันทร์ได้จริงมันต้องมีน้ําอยู่เยอะอ แต่ทีนี้ในน้ำบาดวงจันทร์ก็เป็นอลไรที่กำลังท้าทายการค้นหากันอยู่นะครับบ้างก็ว่าอาจจะมีอยู่ตามหลุมอุกกาบาตที่แบบร้อยวันพันปีมันไม่เคยโดนแสงอาทิตย์อาจจะมีน้ำแข็งยุคโบราณโบราณอยู่แถวนั้นเลยพวกนี้นี่เขก็หากันอยู่ใช่พอฟังพี่ป่องแปงเองฟังรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจมากที่สิ่งที่มันท้าทายอนาคตอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ดูแบบเป็นเรื่องใหญ่มากอะมันกลับเป็น องค์ประกอบที่ดูธรรมดาสามัญที่สุดอย่างน้ำ <f> ซึ่งแบบเราเรียนกันมาตั้งแต่ห้องเรียน H2O มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยแต่มันกลายเป็นตัวสำคัญนะที่จะกำหนดเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยชีวิตของเราทั้งบนโลกและบนดาวดวงอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไง ก็ ใ, ใครที่สนใจแล้วก็ชอบเรื่องสนุกสนุกทางฟิสิกส์แบบนี้นะคะก็ติดตามกันได้เช่ในเคยในใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ในทุกๆตอนต่อจากนี้ด้วยนะคะฝากกด subscribe นะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามฟังรายการของเราได้ในทุกๆ podcast player เลยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะครับ The Standard Podcast i Opening For your ears.